พระธรรมเทศนาแผนที่91าดลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่า น, นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่21สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าลิงล้างหูก่อนพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร หลวงพ่อในฐานะที่เป็นประธานสงฆ์ที่นั่งอยู่ที่นี่จะได้กล่าวว่าวันนี้เป็นวันอะไรเพื่อให้พวกคณะสัทธาญาติโจมได้รับได้รับรูรับทราบร่วมกันวันนี้เป็นวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2559หวันนี้คณะเจ้าภาพได้ปารพ นิมน์พระสงตั้งแต่นูน่นแต่นานแล้วแหละแต่ก่อนเข้าพรนศานะแหววจะจัดงานทําบุญครอบครอบของคุณยา่าคุณยายของพวกเราคุณตาคุณปู่คุณตาของพวกเราที่พวกเรารู้อยู่แล้วอาจารย์เจริญก็ได้ปรารภเมื่อกี้นี้คือสวนแสงธรรมของพวกเราที่พวกเราได้รับความสะดวกสบายได้ได้มาบําเพ็ญกุศล ที่ท่วนหน้ากันตั้งแต่องค์หลวงตาที่ท่านรับสวนแสงธรรมไว้ในอุปถัมภ์ขององค์หลวงตาก็คือคุณยายคุณหมอคุณยายอุไรวันคุณหมออุไรวันและคุณตาสะกุลของพวกเร า, เาได้มอบแล้วก็พร้อมลูกหลานของท่านนะั่นแหละพร้อมลูกพร้อมหลานของท่านได้มอบที่ดินสองแปลงคือแปลงหนึ่งก็คือสวนแสงธรรมที่หลวงพ่อที่ ฟังเมื่อกี้นี่คืออาจารย์เจริญพูดว่าสิบสองไร่แต่นี้ตั้งทางนี้ตรงข้ามฝากถนนมาทางนี้อีกเป็นฝ่ายอุบาสิกาสิบก้าไร่รวมแล้วคุณตากับคุณยายถวายที่ดินทั้งยี่สิบกว่าไร่ถ้าเป็นยุคนี้ถ้าคิดเป็นเงินออกมาไม่ใช่น้อยเลยนะคณะสัตยาญาณโยมลุกล้านเป็นเงินมากทีเดียวถ้าหากว่าคุณตาคุณยายแปลว่ามีสายตายาว ที่มองเห็นไกลที่ได้ถวายที่ดินกับองค์หลวงตามหาบัวท่านคงจะมองดูแล้วว่าลูกๆของท่านก็น่าจะเพียงพอส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนของของท่านนะท่านก็เคยมอบให้ไว้ในพุทธศาสนาเพื่อจะเป็นเสบียงเดินทางของท่านต่อไปในภพภูมิต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นคุณตากับคุณยายท่านจึงพร้อมกับลูกๆจึงได้ยกที่ดินสองแปลง มอบไวนะ้ให้พระพุทธศาสนาให้เป็นสถานที่บำเพ็ญคุณงามความดีให้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศลเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่สองตาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทั้งสองท่านาได้มรณะลงไปเป็นเวลา13ปีพวกลูกลูกหลานคณะสัตย์ทายาทโยมทั้งหลายาทั้งตลอดถึงหลวงพ่อด้วยเห็นลำเลิกถึงพระคุณของท่านเหมือนกัน ที่ท่านได้บำเพ็ญที่ได้ถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาพวกเราจึงได้มาร่วมกันมารวมกันทําบุญเพื่อลําลึกถึงแล้วก็พร้อมกันอุทิศ ส, สวนกุศลผลบุญที่พวกเราได้บําเพ็ญในสวนแสงธรรมตลอดมาและก็คงจะตลอดไปอีกน ะ, ะแล้วก็ในวันนี้ก็พวกเราก็น้อมจิตลําลึกถึงอุทิศ ส, สวนกุศล ต่อดวงวิญญาณของท่านแต่หลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นประธานสงฆ์อย่างที่ติกล่าวหลวงพ่อก็มั่นใจว่าสองตายายของท่านท่านจิตใจเป็นกุศลอยู่แล้วนะจิตใจของท่านเป็นกุศลอยู่แล้ว เ, เมื่อท่านจากโลกนี้ไปท่านก็ขึ้นไปสู่สุคติภูมของท่านาไม่ได้สงสัยไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าใจของท่านเมื่อขณะก่อนหน้านี้เมื่อท่าน ยังกเกษียณอยู่ทั้งมีชีวิตยอยู่ท่านก็เป็นผู้อบรมธรรมะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าให้กับหมู่พวกเพื่อนคณะสิทธิของญาติสิทธิของท่านที่หลวงพ่อได้ทราบมาเนีแต่หลวงพ่อไม่ทานท่านหรอกแต่หลวงพ่อได้ทราบประวัติของท่านท่านได้เป็นผู้จิตใจมีกุศลอบรมเรื่องจิตตภาวนาให้กับบริษัทบริวารลูกน้องอลูกศิษย์ลูกหาของท่าน อันนี้ก็ท่านจิตใจเป็นกุศลมาโดยตลอดเพราะนั้นข อ, เ, อเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วนะพวกเราที่มาทาในวันนี้ก็ อ, อิเอามาลํำลึกถึงบุญคุณของอสองตายายหรือสองปู่คุณปู่คุณย่าของพวกเราเพราะนั้นขอถึงจะถึงยังไงก็ตามถ้า่าท่านพ้นทุกไปแล้วก็อขอพวกเราขออนุโ ม, โมทนาแต่ถ้า่ากดวงวิญญาณของคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายของพวกเรา อยู่ในพวกภูมิในภูมิในชั้นพรมก็ดีชั้นเทวดาก็ดีก็ขอให้มองดูพวกลูกพวกหลานขอให้พวกลูกทั้งหลานทั้งหลายก็ให้เจริญด้วยล่ามยศสรรเสริญสุขในการดําเนินชีวิตก็จะได้มีอุปสรรคด้วยอเนกสงทานอเนกสงการทําบุญทําทานที่คุณยา่าคุณยายพาดําเนินและก็ท่าทางว่าท่านดวงวิญญาณของท่าน ยังไม่พ้นทุกข์ก็ขอให้ท่านพ้นทุกข์ไม่ในวัฏสงสารทึงแดนพระ น, นิพพานอย่าได้มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกอันนี้คือพวกเราถึงพวกเราจะเป็นคนธรรมดาสามัญก็ดีก็อยากจะให้ผู้อื่นหรือท่านผู้อื่นพ้นทุกข์พวกเราก็จะได้เดินตามแนวแถวอย่างนั้นอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราขตัทฐา ญ, ญาติโยมลูกหลานนื วันนี้ถือว่าเป็นวันบุญวันกุศลที่พวกเราได้มาร่วมมารวมกันทําบุญอุทิศส่วนกุศลมอบกุศลให้กับคุณตาคุณยายแล้วก็พร้อมกันพวกเราอย่าลืมนะอย่าลืมตัวเจ้าของอย่าลืมตัวเองอีกเหมือนกันนั่นแหละถึงจะมบยกมอบมอไปคนอื่นก็เถิดประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านนะที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นี่คือประโยชน์ท่านและประโยชน์ตนล่ะ พวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งองค์หลวงตามหาบัวท่านแนะนําท่านสอนอย่างไรให้พวกเราอย่าเป็นผู้อย่าลืมตัวให้สํานึกไว้อยู่เสมอว่าอีกชีวิตวันหนึ่งข้างหน้าพวกเราคงจะเดินตามหลังคุณตาคุณยายคุณปู่คุณยา่าของพวกเรานี่แหละไม่เป็นอย่างอื่น เพราะนั้นก่อนที่จะเดินตามนั้นน่ะแต่คุณตาคุณยายท่านได้มอบที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนามากมายแต่พวกเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะได้ทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลเอาเถอะในเมื่อเราไม่มีทรัพย์สมบัติภายนอกเราจะประกอบคุณงามความดีเราจะรักษาศีลเราจะไหว้พระสวดมนต์เราจะนั่งภาวนาจะบาเพ็ญคุณงามความดีเราจะคิดดีทำดีพูดดี ในตัวของเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสิ่งไหนที่คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วเราจะไม่ทำให้เรานึกในใจอย่างนั้นไปอยู่เสมอและก็พร้อมกันโลกทุกวันนี้มีมากมายและหลายอย่างคณะสัทยาธญญาิโยมลูกหลานบางทีฟังมาแล้วจนจะได้ล้างหูไม่ไม่ทันนั่นะมันมีมากเหลือเกินแต่ถึงยังไงให้พวกลูกเราพวกเราคณะสัตยาติโยมให้หนักแน่น แต่ฟังจีิงไหนมาก็ตามให้หนักแน่นให้ฟังเอาไว้ เ, าเรามีสองหูหูมีสองข้างฮะอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดว่าดูก่อนสาษาลิบุตรถ้อยคําที่สถาคตพูดไปนี่เธอเชื่อไหมภาษาลิบุตรว่ายังก่อนพระเจ้าค่ะยังไม่เชื่อพระสงฆ์ทั้งหลายก็ฮือหากันบอกโอ้ภาษาลิบุตรหัวแข็งหัวดือ้อหัวรันขนาดพระพุทธเจ้าบอกกล่าวตรัสต้ตนาศาสนาขานาดนี้ยังไม่เชื่อโนะโหขนาดไหนภาษาลิบุตร ท่านองตนเสียแล้วนะเพระพระพุทธเจ้าอะดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายเดี๋ยวเราจะถามอีกถามสารีบุตรอีกทําไมเธอจึงไม่เชื่อละ่ะสารีบุตรเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปกันกรองยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นําไปปฏิบัติดูแล้วเป็นเหตุผลอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าจะมากราบทูลหรือจะเชื่อหรือไม่เชื่อต่อภายหลังพระเจ้าค่ะนี่แหละพระพุทธองค์ท่านบอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลาย เธอทั้งหลายเมื่อเราแตะถาคัดพูดออกไปแล้วอย่าพึ่งเชื่ อ, อ, อให้นําไปปฏิบัติดูก่อนในเมื่อปฏิบัติแล้วนั่นแหละจึงเชื่อให้ถือตัวอย่างท่านสารีบุตรนี่แหละ เ, เป็นตัวอย่างเนี่ยนี่แหละพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะเป็นพุทธบ ร, รธิษัทโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเป็นลูกศิษย์ขององหลวงตานะหลวงตาจะไม่ให้ใครจูงจมูกง่ายๆนะเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ ฟังอันไหนมาก็ตามต้องฟังด้วยเหตุด้วยผลฟังแล้วนําไปคิดถ้าสงสัยแล้วไปถามให้ไปถามต้นต่อนะอย่าไปเชื่อข้างใดข้างหนึ่งฟังใดฟังหนึ่งเชื่อคิดดูให้ดนะีถ้าพวกเราคิดดูอย่างนั้นแล้วนะพวกเราจะมีเป็นผู้มีเหตุมีผลแต่ถ้าว่าพวกเราฟังโดยแล้วเชื่อทั้งหมดไม่ได้นะศรัทธาความเชื่อความนี้จะทำให้ตัวเองจีบหายได้เหมือนกันนะตกนรกหมกไม่ได้ง่ายๆเพราะเหตุไรเพราะเชื่อเขานะ แต่ถ้าว่าเราใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบแล้วอย่างภาษาริบุทรนี่นะอันนี้เราจะมั่นใจในเรื่องเรื่องทุกที่ทุกสถานตลอดเรื่องไหนมาก็ดีเรารับฟังเราการกรองไตรตรองแล้วก็สังเกตเราจะไม่เชื่อใครงนะ่ายๆพอคาคำว่าเชื่อคานี้ศรัท ธ, ธาคำนี้นะถ้าไม่เชื่อใครเเลยก็ไม่ดีนะคณะศรัท ธ, ธาญาติโยมถ้าเชื่อเร็วเกินไปก็ไม่ดีนะ ศรัทธาคือความเชื่อเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอยางนั้นอีกนะไม่เชื่อว่าเชื่อดาไปหมดมีอะไรพูดมาเชื่อหมดไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อถ้าสิ่งที่ไม่ควรเชื่อเด่๋ยวไปเชื่อให้ฟังให้ดูให้กันกรองไตรตรองไว้ให้ดีซะก่อนมันมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนอันนี้อยู่ในการามชนการามสูตรนะที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาให้กับการามชนนะนี่แหละ เอขนาดลิงอยู่ในป่าโรงพงไพรพอได้ยินเรื่องของมนุษย์แล้วจึงกระโดดลงไปล้างหูนะพวกลูกหลานคณาัทาญาทจงเคยได้ยินไหมนิทานชาดกของมาในพระไตรปิฎกเนี่มีลิงตัวหนึ่งอยู่ในป่าเนเอยสมัยนั้นพระเจ้าพมทัดของราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีมีพรานคนหนึ่งมีพานป่าเน่ยเคยเข้าไปล่าเนื้อัดล่าสัตว์อยูในป่าหิมะพานเอพอไปไปเห็นลิงตัวหนึ่ง ไปเห็นลิงทั้งฝูงนั่นแหละแต่ก็สังเกตวโอ้ลิงตัวนี้ลิงตัวนี้มันสวยงามจริงๆตัวสีขาวนวนลรูปร่างท่าทางสะอาดสะองกว่าลิงทั้งหลายลิงตัวนี้แต่มันนั่งอยู่ที่ไหนมันไปที่ไหนเวลามันนั่งมันนั่งอยู่ที่ไหนพรานคนนี้จะสังเกต ด, ดูกันน่ยไปเพื่อจะจับลิงตัวนี้แหละเห็นน่ยมันกล่าว่าลิงตัวนี้ถ้าเอาไปถวายเป็เจ้าแผ่นดินเนี่ย พระราชาคงให้รางวันบำเหน็จบำนาญเล่าอย่างดีเพราะลิงตัวที่สวยเหลือเกินเนี่ยในพานไปเห็นอะไรก็คิดถึงพระราชาใช่ไนหะแต่เนี้ยนายพานก็สังเกตดูเห็นเห็นลิงตัวนั้นมันไปนั่งอยู่ตรงนั้นมันเดินไปตรงนั้นเออในพานก็ไปดักดักแล้วเสร็จแล้วจัดเลยดักแล้วเพื่อจะให้ดักดักตาข่ายดักแล้วใส่ลิงตัวนั้นเน่ยแต่เนี้ยนายพานก็ดักดูอยู่ในป่านี่พอลิงตัวนั้นมาอุ้มก็เลยเป็นถูกแล้วของนายพานน่ย พอหลิดแล้วก็ติดขาของมันก็ร้องกรากรีพวกหมูทั้งหลายก็วิ่งหนีในพานก็ยิงธนูเลีงถลายมันก็กลัวแตกหือหนีหมดเในพานก็มัดเลี่ยงตัวนั้นแหละตัวสวยๆงามๆได้สมดังปรารถนาะเ เ, เสร็จแล้วเดีก็นํามาถวายพระราชานยพอพระราชาเห็นเลิงโอ้ลิ่งตัวนี้สวยจริงๆวะ่ะไม่เคยเห็นลิงงามขนาดนี้จากนั้นพระราชาก็ชอบใจให้รางวัลแก่พรานนะ่ะ แต่ทีนี้พอเห็นแล้วเิ่งตอนนั้นมันยุนิสัยใช่ใ ช, ใ ช, ใชมันนิไช่ เ, เรียบร้อยดีว่าพระราชาก็นึกในใจทีนี้โอ้ตายถ้าหาว่าเรานะถ้าเราเป็นพระราชาอย่างนี้แห่ะถ้าเขาจับไปเ่เไปให้คนชุมชนอื่นกลุ่มอื่ น, นมันก็คงจะคิดถึงเพื่อนถึงผงผงถึงพักถึงพวกของมันเหมือนกันนั่นแหละนี่มันรู้สึกว่ามันถึงถึ ง, ถงยังไงก็นิไช่มันดีนิไช่เรียบร้อย เออหน้าเมตตามันคิดทีไรก็เห็นมันทีไรก็เออหน้าสงสารก็เลยบวกพลานถ้าแกจับลิงตัวนี้มาจากไหนวะในป่าครับเออนั่นนะเอาไปส่งถึงเพื่อนฝื้นฟูมันจะนะเราเห็นแล้วโอ้นิสัยดีเออหน้าสงสารมันมันก็คงจะคิดถึงพักถึงพวกถึงหมูถึงเพื่อนมันเหมือนกันนั่นแหละเออเหมือนกับพวกเราภากพากักจากหมูจากเพื่อนจากพ่อจากแม่มานั่นแหละไปเอาไปส่งคืนจะนะ พระเจ้าเป็นเอก็ส่งให้ในายผานไปส่งคืนเลยพอส่งคืนนี่ก็ไปลิงตัวนั้นก็พอไปถึงป่าก็ปล่อยแล้วปล่อยลิงก็วิ่งเข้าไปหาหมูหมูมันก็ล้มมาใช่ไเนี่ยเปิ้ลก็พูดเป็นภาษาภาษาลิงเลยเอ๊แต่แกไปไปที่ไหนไปหายโ อ, อ, อ้ผมโดนจับนะลิงตัวนีเ้เขาจับไปหาเมืองมนุษย์เหกันไปอยู่ในบ้านเมืองใหญ่เขาทีเดียวเลยเออเป็นยังไงวะ ไอ้เมืองมนุษย์เน <outside> ี่ยเขาว่าอะไรกันบ้างมีอะไรกันบ้างเอนามันตียังไงมันไปดียังไงโพสให้ฟัง噻เลิงตัวนี้โอ้ยเจ้าอย่าไปหาโพสแต่เรื่องมนุษย์มันเรื่องยุ่งเหลือเกินเอี่ยมันไม่ีเรื่องอะไรตัวมีอะไรโอ้ยตื่นมาตอนเช้ามันมีแต่เรื่องยุ่งอย่างนั้นอย่างอย่าไปฟังเลยผมเรื่องมนุษย์ไอ้พวกนี้เขาเลิงตัวนี้ห้ามซไเลยพวกเดิ้งก่อนลิ่งลุ่มเข้าไปอีกทั้งวันเอาเถอะนะ พูดให้ฟังเถอะนะเออมันเรื่องราวมันเป็นยังไงเรื่องของมนุษย์เนี่ยเอออ๋อได้อย่างงั้นก็ฟังเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเออแต่นี่ก็พอพูดสิฟังตื่นขึ้นมาตอนเช้านะเออตอนขึ้นมาตอนเช้าโดยเฉพาะอาพูดผมยาวๆมีตั้งหูในหูนั่นแหละเอ่อขึ้นมาก็มาทําอาหารกรจมนั่นกระจมนี่จมนี่จมนั้นเรื่องน้ําเรื่องนะ เ, เรื่องเรื่องสายสร้อยเรื่องสายประดับเรื่องรถยดเรื่อง เงินเรื่องทองเรื่องโลูกเรื่องล้านเรื่องอะไรแต่พ่อละแต่พูดเป็นผู้ชายก็มากพูดอีกแบบหนึ่งมีกลุ่มมาอีกก็พูดอีกแบบหนึ่งผมเองอเราก็นั่งฟังทั้งทุกคนเข้ามาถ้ามาเป็นกลุ่มใหญ่ก็มาต่างคนต่างพูดอีกคนละทิศคนละทางอีกโอ้เรื่องมนุษย์ยายยายยาจะปอยักฟังเแ่าเรื่องยุ่งโอ้ขนาดนั้นเหรอหลีกเลี่งทั้งหลายนะขนาดนั้นเหรอมนุษย์มันยุ่งขนาดนั้นน่ะใช่ยุ่งโอ้ตาย ได้ฟังเพียงแค่นี้ก็พอแรงเนี่ยลียงทั้งหลายก็โดดลงไปเอาน้ำล้างหูเจ้าของออกคนก น, นั้นแหละพอได้ยินได้ยินคือเรื่องของมนุษย์ตัวนั้นแหละมันเรื่องยุ่งจริงๆเรื่องมนุษย์เนี่ยงั้นเออลิงเหล่านั้นที่เลียงทั้งฝูงนะ่ะพอฟังเสร็จแล้วก็ต่างตัวไปก็เอาน้ําล้างหูล้างสิ่งที่ได้ยินออกจากหูของตนเองมางั้นแหะนี่แหละอันนี้แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังนะขนาดเลี้ยงยังล้างหูนะ เออหลิงอย่างล้างหูออกสิ่งที่สกรปรกเข้าไปในหูหลิงนะเพราะฉนั้นพวกเรานะ่ยอย่าไปท่านองตนว่าข้าเป็นผู้เฉลียวข้าเป็นผู้ฉลาดข้าเป็นผู้มั่งมีข้าเป็นผู้มีสีสุขอะไรก็ตามนะ่ยให้มองตนเองนะถึงอย่างไรก็ทําให้ดีที่สุดนะคิดดีทดําดีพูดดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปคิดอย่าไปทําอย่าไปพูดถ้าพูดไปแล้วนะมันทําให้เสียหายเสียหายตนและเสียหายคนอื่นเสียหายบงสาคนาญาติ เสียหายพวกเราทุกๆคนน่นะให้สำรวมให้ระวังสร้างบุญสร้างกุศลไปเถอะนะชีวิตของพวกเราไม่ถึงร้อยปีละ่ะต่างคนก็ต่างไปเห็นไหมคุณยา่าคุณยายของพวกเราคุณตาคุณปู่ของพวกเรานะ่ะถึงท่านจะทำคุณงามความดีขนาดไหนท่านก็จากไปองค์หลวงตามหาบัวก็เหมือนกันท่านเป็นประมาจารย์เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ทรงกุณฑวศูนย์ธรรมทุกอย่าง ผลที่สุดท่านก็จากธาตุขันไปพระพุทธเจ้าของเราก็ยิ่งกว่าองค์หลุงตาอีกน่ยสายามภูรู้แจงโลกแต่จากนั้นท่านก็จังลาโลกไปอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราเป็นใครใ ห, ให้มองมองดูตัวเองพวกเราเป็นใคร เ, เราคุณมีคุณงามความดีได้สร้างบุญสร้างกุศลเต็มเปี่ยมในหัวใจหรื อ, อยังถ้ายังไม่เต็มเปี่ยมในหัวใจในจิตในใจของเราอย่าไปชราใจนะคณะศักัตยาญาดโยม ให้เตรียมพร้อมให้สั่งสมบุญกุศลประกอบคุณงามความดีอันไหนที่เป็นกุศลพวกเราก็ทําสิ่งนั้นละ่ะอย่าไปใส่ใจเรื่องคนคนคนนอกอย่าไปจุนใจเรื่องคนอื่นเอเรื่องราวต่างๆภายนอกะเราก็ฟังไว้นะเอเราจะไปทุกไปเดือบไปร้อนกับเรื่องภายนอกมันก็ไม่ได้ไม่ถูกนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกันในหลวงพ่อเนี่ยอยู่ในสถานะนี้นะหลวงพ่อได้ยินอะไรมาหลวงพ่อก็ฟังนะพอฟังเสร็จแล้วก็ทํายังไงได้เออ อีกสักวันหนึ่งเราก็จะทิ้งทั้งหมดขนาดร่างกายของหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็จะเอาตายไปแล้วกับลูกหลานกับคงไปเผาไฟทิ้งนะ่ะยังเหลือแต่กระดูกนะ่ะนี่มีแต่บุญกับบาปเทะนะ่านั้นที่จะติดใจติดจิต ต, ติดใจของหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสหลวงพ่อก็เข้าสู่นิพพานใช่ไหมถ้าหลวงพ่อยังไม่พ้นทุกข์หลวงพ่อก็ไปสู่พรหมชั้นใดชั้นหนึ่งหรือสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งถ้าหลวงพ่อทํากรรมชั่วสิ่งที่มันไม่ดีนะ่ะหลวงพ่อก็รับเองอีกเหมือนกันนะ ลงไปตกนโะลกหมกไหม้ไปเกิดเป็นสัตว์ิฏฐิชนันนี่พวกเราก็เหมือนกันนะะั่นแหละทีนี่เหมือนกันที่หลวงพ่อพูดนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ตรวจตราดูตนเองประกอบแต่คุณงามความดีสิ่งหนั้นที่มันไม่ดีนะไม่ดีให้รูปไหมไ ม, ด ม, ไมดด่ดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดสิ่งที่มันไม่ดีถ้าพูดลงไปแล้วทำลงไปแล้วพูดลงไปแล้วคิดไปแล้วนะกรรมชั่วเหล่านั้นจะให้ผล ตนเองนั่นและจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังในทำคําสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะอักขตังทุ ก, กตังเสยโยปัจชาตะปติทุ ก, กตังกรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเมื่อคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วเหล่านั้นจะให้ผลตนเองนั่นและจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้ให้ฟังเอาไว้นะคะนะ ร, รับรักศาศรัทธาญาติโยมอันนี้เป็นพุทธภาษิตธ เป็นภาษีถ้าเป็นคำพูดคำตรัสของพระพุทธเจ้านะเป็นอมตะ <c oughs> เป็นนามตะวาจาอีกต่างหากคำว่าอมตะคืออะไรคืออมตะแปลว่าสิ่งที่ไม่ตายพูดเมื่อพูดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ถูกต้องเมื่อนั้นฮะเ อ, อจีว่าเป็นอมตะเออความชั่วอย่าทำํำซะเลยดีกว่าบางคนก็คิดว่าตัวเองฉลาดใช่ไหมล่ะกฎหมายทันไม่จับไม่ได้ไม่ทานล็อกนะเ อ, อเลยทําสิ่งที่มันไม่ดีผิดกฎหมายเครอ พอกฎหมายจับไล่ได้จับไล่ได้ไล่ทันเท่านะั้นเองเมื่อมาติดคุกเมื่อแกใช่ไหม อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นหลวงพ่อไม่ได้ดูถูกเย็ดยามผู้ใดใครผู้หนึ่งนะพูดทางนี้ทางนั้นดูถูกกรรมที่ชั่วกรำที่กระทําลงไปนะเรียกว่ากรรมที่กระทําลงไปห<ช><ม>ลว ง, งพ่อดูถูกจุดนั้นดูถูกที่ว่าคิดชั่วกดีทําชั่วกดีพูดชั่วกดีไม่ดีเพราะนั้นหลวงพ่อดูถูกว่าสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำเฉยๆดีกว่า เพราะเมื่อทําลงไปแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังขายหน้าตัวเองเมื่อภายหลังนะ่ะเอาตอนนี้องไปพระสงฆ์จ้าอนุโมทนาให้พร ล, ละพรในเสนี้เนา่าคณะธรรมญาติโยมแล้วก็พร้อมกันอุทิศส่วนกุศลอถึงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของพวกเราเนี่ยแหล ะ, ะบางคนก็อาจจะเรียกคุณปู่บางคนอาจจะเรียกคุณเอคุณตาบางทีอาจจะเรียกคุณย่าบางคนอาจจะเรียกคุณยายะบางคนก็เรียกคุณแม่ อยู่ในสถานะของที่พวกเราจะเรียกท่านอย่างไรแต่อัตมาจะเรียกท่านว่าคุณโยมนะคุณโยมทั้งสองธรรมะขวานอย่างนั้นนะแต่พวกเราอาจจะเรียกยงไงต่างกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทำบุญวันนี้ก็เกือบเป็นการจงใจอุทิศส่วนกุศลต่อดวงวิญญาณของท่านนะตลอดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะ บงสาขนาดญาติญาติมิตรสหายจ็บกำในเวรของพวกเราของทุกๆคนด้วยนะถ้าว่าตกทุกข์ไดยากอยู่พวกเราได้มาทําบุญในวันนี้ก็พร้อมที่อุจจารทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้ถ้าหว่าท่านเหล่านั้นตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ข อ, ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นนะความปรารถนาของพวกเราที่อยู่เบื้องหลังนะ อาต่อนนี้ไปพระ ส, สงจะอนโมธนาให้พร